เดี๋ยวนี้คนภาวนาเยอะนะแยกธาตุแยกขันได้เยอะถ้าเราแยกขันเป็นแล้วก็จะเดินปัญญาต่อแยกขันไม่เป็นเดินปัญญาไม่ได้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นก็ แ, แยกขันไม่ออกก็เป็นขั้นเป็นตอนไปธรรมะของพระเจ้านะัท่านงดงามมากเลยเมื่อต้นบอกให้ถือศีลไม่ก้น ในขั้นเดินปัญญาเนี่ยเราไม่เก็บกดจิตบางทีกิเลสมันก็ฟุ้งขึ้นมาถ้าเราไม่มีศีลไว้ก่อนเราก็ไปทำชั่วได้ทำชั่วแล้วใจฟุ้งซ่านสมาธิเสื่อ ม, มเทวทัตทำสมาธิเก่งสัน ท, ทายทำบาปมากจิตกฟุ้งซ่านสมาธิก็แตกหมดเรารักษาศีลใช จ, จ, จเกิดสมาธิง่าย ปรับพื้นฐานทางกายทางวาจาให้เรียบร้อยแนละ้วไม่วุ่นวายแลอย่างแค่ไม่พูดเพอเจอร์นะมันก็คลุกคลียากแล้วไปคลุกคลีกับคนต้อไปพูดเพอเจอร์แหละงั้นอย่างเรามีศีลไม่พูดเพอเจอร์ไม่คลุกคลีกับใครใครเขาจะมาคลุกคลีด้วยวันๆไม่ค่อยพูดอะไรภาวนาไปเรืยคนจะมาคลุกคลีกับเราก็พวกภาวนาด้วยกันพวกฟุงสั้นมันก็ไม่มาไม่สนุก งั้นพอใจเราสงบนะเรามีศีลไม่คลุกคลีกับใครมีศีลภาวนางเราทุกวันทุกวันการฝึกจิตฝึกใจนะมี2ขั้นตอนขั้นหนึ่งก็คือฝึกสมาธิขั้นหนึ่งฝึกให้มีปัญญาฝึกสมาธิก็เพื่อจะเป็นฐานของการไปเจริญปัญญาไม่ใช่ทำสมาธิเพื่อจะทำสมาธิ ธรรมะนั้นเป็นขั้นเป็นตอนส่งทอดกันให้จิตใจเราสูงขึ้นไปเรื่อยๆมีศีลเพื่อจะได้มีสมาธิมีสมาธิเพื่อจะมีปัญญาปัญญาเราก็ไม่ได้เอาปัญญาปัญญาเพื่อส่งทอดไปสู่บิมุติแล้วก็ค่อยหลุดออกไปเป็นลําดับไปไม่ได้เอาศีลสมาธิปัญญาแต่มันจําเป็นเป็นเครื่องมือเครื่องอาศัยเรามีศีลสมาธิเกิดง่าย ฟุ้งซ่านมากครุกคลีมากทำตามใจกิเลสทั้งวันทั้งตามใจโลภะตามใจโทสะใจก็ฟุ้งซ่านอย่าไปตามใจมันได้ฝึกให้ใจเข้มแข็งขึ้นเป็นลำดับลำดับข้ามภพข้ามชาตินั่นต้องใช้ความเข้มแข็งมากคนอ่อนแอไปไม่ได้หรอกมันเหมือนเข้าสนามรบจริงๆเลย นี่พวกเราตอนนี้บางคนก็เข้าสนามลบแนละ้วบางคนก็แค่ซ้อมลบมาเรียนเนีมารู้วิธีลบซ้อมลบไหมเราก็มาลงมือปฏิบัติจริงๆเข้าสนามลบตอนไหนตอนตามองเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสความเย็นความร้อนความหมอนความแข็งใจกระทบธรรมารมนี่เป็นเวลาที่จะเข้าสนามลบตัวจริงแนะ ศีลมันควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อยเป็นการข่มใจไม่ให้ทําตามกิเลสสมาธิเนี่ยจิตมันมีพลังมากขึ้นแล้วมันข่มกิเลสไม่ให้ครอบงอําใจคนละอันกันศีลเนี่ยข่มใจไม่ให้ทําตามกิเลสสมาธิน่ะข่มกิเลสไม่ให้ครอบงาใจได้ปัญญาเนี่ยเรียนรู้ความจริงของาธาตุของขันธ์ ก็ทำลายกิเลสอีกแหละกิเลสคือความไม่รู้กิเลสโง่เป็นตัวร้ายที่สุดการฝึกกายวาจาก็เป็นเรื่องของศีลในทางจิตใจนะมีฝึกสองอย่างฝึกสมาธิกับปัญญามันก็มีสองอย่างนะมีสมถะกับวิปัสสนาสมาธินะคล่อมอยู่2เรื่องคล่อมเรื่องของสมถะกับคล่อมเรื่องของวิปัสสนาสมาธิมี2แบบ สมาธิอย่างหนึ่งเนี่ยทำไปเพื่อสมถะให้จิตสงบจิตใจมีเรี่ยวมีแรงได้พักผ่อนคมกิเลสนี่ยสมาธิอันหนึ่งคมกิเลสไม่ชั่วคราวนั้นะจิตใจเข้าชานเข้าอะไรเนี่ยพักผ่อนสมาธิอย่างหนึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของจิตเพื่อการเจริญปัญญาเราเรียนสมาธิทําให้ได้สองอย่างดีที่สุดถ้าทําได้อย่างเดียวก็ต้องทําสมาธิเจริญปัญญา นี่ส่วนใหญ่ที่เขาทำกันเขาก็ทำอย่างเดียวแต่ทำสมาธิเพื่อความสงบทำได้แค่นั้นเองเสียเวลามากเลยไม่ใช่เพราะเสียเวลาในชีวิตมนุษย์นี้ทำสมาธิแบบนั้นมากมากตายไปเป็นพรหมเนีเสียเวลาทีหนึ่งเป็นหมื่นหมืนกับพรหมบางชนิดอายุทั้งแ0ด0 0ืนกับกับหนึ่งก็คือตั้งแต่จักรวาลเกิดจนจักรวาลแตกไปทิ้งมี Big Bang อะไรนี้นานมาก ถ้าเราแยกสมาธิเป็นนะฝึกให้ได้สองอย่างดีที่สุดเลยสมาธิอย่างแรกเอาไว้พักผ่อนจิตที่ไม่ได้พักผ่อนคือจิตที่ร่อนเร่ไปทางทวารทั้งหตาหูจมูกลิ้นกายใ จ, ใจเดี๋ยวก็จับอารมณ์ทางตาเดี๋ยวก็จับอารมณ์ทางหูเดี๋ยวจับอารมณ์ทางใจนะจับจดจับแล้วก็ปล่อยจับแล้วปล่อยต่ครูบ น, น, นันนี้ต่ครุบอันนี้อุตรุดไปหมดเลยจิตมันฟุ้งซ่านวิธียัง ใ, ให้มันฟุ้งซ่านนันน้อมจิตมาอยู่ในอารมณ์อันเดียว มาอยู่กับพุโทโธมาอยู่กับลมหายใจอะไรเนะี่ยมาอยู่กับท้องพองยุบจะขยับมือทําจังหวะอย่างหลวงพ่อเจียนก็ได้นะก็เป็นสมถะเหมือนกันหมดนะกรรมฐานอะไรก็ได้บริกรรมก็ได้พุโทโธก็ได้สัมมาระหังน้ำมาพาทะจะดูไฟดูลูกแก้วจะดูดินจะดูน้ำํำนะจะดูลมพัดใบไม้ไหวจะดูสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวอะไรก็ได้ จะพิณาปฏิกูลพิณาสุภะอะไรก็ได้ให้จิตอยู่ในอารมณ์เดียวให้จิตอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วมันมีความสุขขึ้นมามันจะไม่หนีจากอารมณ์มันนั้นไปหาอารมณ์อื่นถ้าจิตอยู่ในอารมณ์เดียวไม่วิ่งพล่านไปทางทวานทั้งหกก็ได้สมาธิชนิดสงบขึ้นะจิตที่สงบจะสะสมพลังไว้ะแต่มันมีสมาธิสงบอีกชนิดหนึ่งนะมีโมหะแทรกในสมาธิที่เร็วที่สุดเลยนี่สมาธิที่โมหะแทรก มีหลายแบบนหนึ่งนั่งแล้วก็เคลิมลืมเนื้อลืมตัวขาสติเคลิมไปเคลิ้มมาออกจากสมาธิก็ยังติดความเคลิมออกมาอีกเอาโมหะออกมาอีกยิ่งภาวนาแล้วโมหะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นถ้าโมหะมากก็ไม่ต้องห่วงเลยราคาโทสะยังไงก็ต้องแรงราคาโทสะมันลูกของโมหะอีกทีอีกพวกหนึ่งก็นั่งเคลิม้มอีกพวกหนึ่งนั่งออกนอกนั่งแล้วก็เห็นโน้นเห็นนี่ไปนะสมาธิออกนอกอันนี้สงบก็ไม่สงบหรอก ใชฟุ้งซ่านอันหนึ่งก็เคลิมขาดสติอันหนึ่งก็ฟุ้งซ่านไปนี่สมาธิอย่างนี้เป็นสมาธิที่ไม่ดีเลยส่วนสมาธิสงบนะั้นจิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวมีความสุขอยู่ในอารมณ์เดียวไม่พลานไปที่นั่นที่นี้รู้เนื้อรู้ตัวมีสติอยู่งั้นสมาทากรรมฐานก็ต้องมีสตินะถ้าขาดสติเมื่อไหร่จิตเป็นอกุศลเมื่อนั้นเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนหน่นะให้ฝึกจิตเป็นอกุศล กันอย่างเวลาเราทำสมาธิที่ถูกต้องเวลาจิตสงบนะจิตรวมลงไปกระทั่งโลกกระแท ด, ดับนะสติยังไม่ขาดเลยโลกหายไปร่างกายหายไปนะจิตยังทรงตัวเด่นดวงรู้ตัวอยู่งนะันไม่เคลิ้มไม่เผลอไปไม่ขาดสติจิตรวมไม่ใช่จิตเคลิ้มนะจิตรวมก็คือจิตรวมแนว่วอยู่ในอารมณ์เดียวมีความสุขอยู่ พอมีความสุขพอสมควรความสุขคลายจิตเป็นอุเบกขาทรงตัวเด่นอย่งั้นสว่างสวัยไม่ขาดสติจิตอย่างนี้มีพลังมากเจยน้อมไปใช้ทําอะไรก็เล่นโน้นเล่นนี้ก็พอได้นะแล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ที่สําคัญมากคือเอาไว้พักผ่อนจิตกับร่างกายไม่เหมือนกันนะจิตถ้าได้นิ่งบ้างเนี่ยจิตจะแข็งแรง ร่างกายต้องเคลื่อนไหวเยอะๆร่างกายถึงจะแข็งแรงกลับข้างกันงั้นจิตนิ่งแน่วอยู่ในอารมณ์เดียวรู้เนื้อรูร้ตัวไม่ขาดสติเลยนั่นดีถ้าโมหะแทรกแล้วหรือฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านกับหดหูซ่ซึมไปนะใช้ไม่ได้งั้นเวลาที่พวกเรานั่งสมาธินะเกือบร้อยละร้อยเลยนั่งปุ๊บล้วก็น้อมเข้าไปเลยน้อมให้นิ่งน้อมให้ว่างหรือไม่ก็น้อมไปอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไอ้ที่จะนั่งแล้วรู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวความรู้สึกตัวเด่นดวงอยู่หายากมากเลยนี่แต่หลงนี่นสมาธิชนิดนั้นไร้สาระที่สุดเลยนะทําไปแล้วพอกพูนกิเลสนะไม่ใช่ทําแล้วกิเลสลดลงนั่นเรามาฝึกให้มีสตินะสติจะจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกมเมื่อทําสมาธิก็ต้องมีสตินะอย่าให้ขาดสติงั้นเวลาที่เรานั่งสมาธินะอย่าขยับจิต จิตของเราเป็นยังไงอย่างเนี้ยจิตตอนเนี้ยเป็นยังไงนะเวลาเรานั่งก็นั่งไปด้วยจิตอย่างนี้แหละรู้เนื้อรู้ตัวไปเห็นร่างกายมันหายใจด้วยจิตที่เป็นธรรมดาที่ไม่ได้วางฟอร์มไม่ได้แกล้งให้เคลิมเนี่ยรู้สึกไปพอจิตใจมันรู้เนื้อรู้ตัวมีความสุขนะ้หายใจไปอะไรเงี้ยใจมันอยู่เกาะ อ, อยู่กับลมหายใจลมหายใจค่อยตื้นขึ้นตื้นขึ้นแต่ถ้าจิตไหลไปอยู่กับลมแล้วมันไม่ตื้นขึ้นหรอกมันมีแต่ขาดสติ ถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่นะเห็นร่างกายหายใจนะ้ำลมจะพอจิตสงบน้ำลมจะตื้นขึ้นตื้ น, นขึ้นขึ้นมาอยู่ที่ตรงนี้เลยอยู่ที่จมูกปลายจมูกน้ำ ล, ลมก็กลายเป็นแสงสว่างตรงที่เป็นลมหายใจเรารู้ลมหายใจิตอยู่ต่างหากนะร่างกายหายใจจิตดูอยู่ต่างหากเนะ น, นี่ยตัวเนี้ยดีเป็นสมถะนะร่างกายหายใจอยู่จิตเป็นคนดูยังสมถะนะ ต้องเห็นใจรักถึือจะขึ้นวิปัสนาบางคนบอกว่าเนี่ยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจเป็นวิปัสนาแนละ้วยังไม่เป็นอ่ะต้องเห็นใจรักงั้นถ้าใจเราไม่ถลาลงไปอยู่ที่ท้องบางคนถลาลึกลงไปอยู่ที่ท้องบางคนก็มีเคล็ดลับอย่างเช่นคุณนอนไม่ให้เอาจิตลงไปถึงท้องถ้ากำหนดจิตลงไปถึงท้องท่านบอกว่าราคะเกิดง่ายอันนี้แต่ละคนจะไม่เหมือนกัน แล้วท่านให้อยู่ที่หน้าอกท่านนะแล้วอยู่ที่หน้าอกมันดีอย่างนะตอนที่เดินปัญญาเนี่ยกุศลอกุศลอะไรเนี่ยเกิดขึ้นกลางหน้าอกไม่เกิดที่ท้องหรอกนะเกิดขึ้นกลางหน้าอกให้เห็นเกิดดับเกิดดับต่อไปได้เดินปัญญาต่อง่ายแต่ถ้าเราจะเอาสมาธนะิเราหายใจธรรมชาติเลยตามธรรมชาตินะเห็นมันหายใจใจเราตั้งมั่นเป็นคนดูสบายสบาย อย่าไปปลอมใจอย่าไปดัดแปลงใจให้ซึมซะก่อนเกือบร้อยละร้อยของคนนั่งสมาธิดัดแปลงกายเสร็จแล้วก็ดัดแปลงใจพวกเราลองนั่งดูอา้าวต่อไปนี้นั่งเห็นไหมมีความดัดแปลงเกิดขึ้นแล้วเกือบทั้งหมดเลยรู้สึกไหมหลวงพ่อก็ทำเป็นรู้สึกนะรู้สึกตัวไปลมตรงลมหายใจเรารู้ลมหายใจอยู่เนี้ย ลมหายใจเป็นบริกรรมนิมิตลมมันตื้นตื้นตื้นทำมันสว่างใครภาวนาแล้วรู้สึกสว่างบางคนภาวนาชํานาญนะพอรู้ลมหายใจปุ๊บสว่างปั๊บเลยไม่ทันจะดูลมสุดลมนะีสว่างเลยแล้วจิตไปรู้แสงสว่างแสงสว่างเรียกว่าอุคหานิมิตนิมิตมีสามัญ น, นะในการทําสมถะมีบริกรรมนิมิต บริกรรมนิมิตเนี่ยเป็นอารมณ์เบื้องต้นจะพุดโธจะรู้ลมหายใจจะดูท้องพองยุบเนี่ยบริกรรมนิมิตเท่านั้นขยับมือเนี่ยเป็นบริกรรมนิมิตทั้งหมดเลยตรงที่มันเป็นอุขา ห, หานิมิตเนี่ยกลายเป็นแสงสว่างขึ้นมาจะรู้สึกสว่างขึ้นมาแล้วก็ทิ้งบริกรรมนิมิตมาอยู่กับอุขา ห, หานิมิตแล้วถัดจากอุขาหานิมิตนะจิตมันแนบแน่นสบายอยู่กับแสงนะนะชั่มนี้ชั่นาญ น, นะแสงเราจะกําหนดให้กว้างอย่างไงก็ได้นะให้เล็กย่งไรก็ได้ เล่นไล่เข้าไล่ออกได้นะให้เล็กให้ใหญ่ได้อะไรเงี้ยอันนี้เรียกว่าปฏิภาคนิมิตถ้าจิตเราได้ปฏิภาคนิมิตนะเราได้อุปจารสมาธิแล้วะพวกเราที่บอกว่านั่งแล้วได้เข้าฌานนั่งแล้วได้อุปจาระขีโมโสนใจไม่ถึงหรอกนะยังไม่ได้ปฏิภาคนิมิตเลยแนละ้วบอกเข้าฌานนั่งแล้วสว่างไหมหรือนั่งแล้วเงียบไปเฉย นั่งแล้วขาสติเคลื่มหายไปเลยบอกข้าวชานส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะที่ว่าข้าวชานข้าวชานนะนั่งขาสติเห็นชานเป็นเรื่องขาสติไปยงั่งต้องมีสติให้ขาดสติหายใจไปจนลมหายใจตื้นตื้นตื้ น, น, นกลายเป็นแสงถ้าชํานาญจริงนะําหนดปุ๊บสว่างปั๊บเลยหายใจนี้เตียวสว่างเลยแล้วจิตก็จับเข้ากับความสว่างแล้วแต่ความชํานาญถ้าชํานาญเนี่ยปฏิภาคนะเราใช้เวลาเหมือนฟ้าแลบเลยปับ๊บก็เข้าปฏิภาคลนะ่ะ ได้อุปจาระเลยตรงที่จิตมันตรึกถึงดวงนิมิตแสงนันนะ่เรียกว่าวิตกการที่จิตมันเคล้าเคลียอยู่กับแสงดวงปฏิภาคนิมิตนั่นนะโดยที่ไม่ได้เจตนาจะเคล้าเคลียมันไม่หนีไปไหนตัวนี้เรียกว่าวิจาร์วิจาร์แปล ว, ว่าเคล้าเคลียนะใจมันเข้าไปเคล้าวิตกนี่มันไปตรึกมันไปจับ อารมณ์นั้นนะไปตรึกในอารมณ์นั้นไปตรึกในแสงสว่าง น, นลใจก็เคล้าเคลีย อ, อยู่กับแสงสว่างเรียกว่าวิจารณ์จะมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งไม่ซัดสายไปไหนนะเนี่ยการเข้าฌานจริ ง, รงๆก็เข้ากันอย่างนี้นะเช่นนั่งเคลิ้มเคลิ้มขาดสติแบบเข้าฌานนีพอภาวนานต่อไปนะั้นจิตมันค่อยสงบสงบขึ้นนะมันรู้สึกเลยว่าการที่จิตยังตรึกยังตรองอยังเคล้าเคลีย อ, อยู่กับแสงสว่างนี้นเป็นภาระ จิตมันวางดวงแสงสว่างนะทวนกระแสเข้าหาตัวรู้เอโกทิภาวะให้เกิดขึ้นในฌานที่สองจิตเกิดเข้าสู่ตัวรู้นะั้นเด่นดวงอยู่นะไม่เข้าไปจับที่ตัวแสงแสงมีอยู่รู้สึกอยู่สึงแสงยังใช้แสงนั้นเป็นอารมณ์นะถึงยังเป็นรูปประฌานอยู่แสงยังเป็นตัวรูปอยู่เป็นรูปฌปานแต่ใจนี้เด่นดวงจิตไม่เข้าไปเกาะที่ตัวแสงเด่นอยู่ต่างหากนะั้นมีความสุขอยู่ สติอย่างลงไปในความสุขอีกนะความสุขก็ดับลงไปเป็นอุเบกขานะจิตก็เข้าฌานเป็นลําดับๆทีแรกมันมีปีติมันมีปีตินะมารู้ปีติปีติดับเป็นความสุขรู้ความสุขแนละ้วความสุขดับเป็นอุเบกขาที่จริงมันเกิดร่วมกันทั้งปีติทั้งความสุขอะไรเนี้ยนะแล้วความเป็นหนึ่งเนี้ยมันเกิดด้วยกันแต่ว่ามันฉูดฉาดจิตมันจะไปดูของฉูดฉาดก่อนมันไปดูปีติก่อน พอปีติดับมันก็มารู้ความสุขความสุขดับเข้าสู่อุเบกขาแต่เอกอคตานั้นมีมาตั้งแต่ชาญแรกล้ความเป็นหนึ่งนะงั้นตัวสําคัญในการเข้าชาญ น, นะตัวสําคัญมากคือในชานที่2 2ขึ้นไปคือจิตมันถอนตัวออกจากแสงแลนะมาตั้งตัวเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเราได้ตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมาด้วยการทําชาญ น, นะออกจากสมาธิมาแนละตัวผู้รู้นี้ยังเด่นดวงอยู่ อยู่ได้หลายวันนะแต่ไม่เกินเจวันก็เสื่อมของเสื่อมจะไม่เหมือนตัวรู้ที่เกิดจากการที่เรามีสติรู้ทันเวลาจิตไหลไปคิดสมาธิชนิดนี้มันแค่คณิกาสมาธิชั่วขณะเท่านั้นตัวรู้พวกนี้งอนแงนรู้แล้วก็หลงรู้แล้วก็หลงรู้แล้วก็หลงแต่ส่วนใหญ่ทําได้แค่นี้เพราะเข้าชานไม่เป็นแต่ถ้าเข้าชานได้ตัวรู้นี้จะเด่นต้องชานที่สอง ขึ้นไปเข้าชาันที่หนึ่งตัวรู้ยังไม่เด่นแต่ว่าแสงสว่างยังเด่นอยู่จิตยังจับอยู่ที่แสงอยู่อันนี้ฝึกไปเรื่อยนะถ้าถ้าทําได้ถ้าทําทไม่ได้เราก็มาฝึกอีกแบบหนึ่งสมาธิมันมีสองอันนหนึ่งจิตสงบแล้วพักผ่อนอยู่แต่ว่าสมาธิบางอย่างเนี่ยทั้งที่สงบพักผ่อนอยู่นะมันเป็นบาตเป็นฐานเพื่อการเจริญปัญญาต่อไปข้างหน้าถ้าได้ตัวรู้ขึ้นมา มีพวกหนึ speaker, ่งเข้าสมาธิอยู่เนี่ยแล้เจริญปัญญาในสมาธิเลยอย่างเราเข้าสมาธิอยู่เราเห็นเลจิตไปจับอยู่ที่แสงก็รู้ทันนะจิตปล่อยแสงก็รู้ทันนี่เดินปัญญาอยู่ละมีปีติจิตมีปีติก็รู้ทันปีติดับไปก็รู้ทันมีความสุขเกิดขึ้นก็รู้ทันมีความสุขดับไปก็รู้ทันมีอุเบกขาเกิดขึ้นก็รู้ทันมีอุเบกขาดับไปก็รู้ทันจิตสงบตั้งมั่นก็รู้ทันนะ จิตเคลื่อนไหวขึ้นมาก็รู้ทันจิตคับแคบก็รู้ทันนะจิตกว้างกวางไม่มีขอบมีเขตก็รู้ทันนี่ไปเดินปัญญาอยู่ในสมาธินะอันนี้คนที่จะทําได้จะต้องชํานาญ2อย่างหนึ่งชำนาญเรื่องการเข้าฌานจนเป็นวสีอันที่2ชํานาญการดูจิตถ้าขาดอันใดอันหนึ่งเราจะไปเจริญปัญญาในสมาธิไม่ได้นี่อยู่ในขั้นอภปนาสมาธินะแต่ถ้าในขั้น สมาธิรองลงมาในอุปจาระเนี่ยในอุปจาระเนี่ยจิตยังมีความไหวอยู่เพราะฉะนั้นะอย่างเราอยู่กับปฏิภาคนิมิตนะมีปฏิภาคนิมิตเนี่ยที่จิตมันไหวขึ้นกลางหน้าอกเพวกเราบางคนภาวนานะจิตรวมลงไปแล้วเห็นมันไหวๆอยู่กลางหน้าอกนะมีโน้นผุดนี้มีนี้ผุดนะนะไม่ได้ดูองชันแต่ดูความปรุงของจิตที่ผุดขึ้นมาอันนี้เราจเจริญปัญญาอยู่ในอุปจารสมาธินะนี่นเราฝึก ไปด้วยถ้าทําสมาธิได้ก็ทําถ้าทําไม่ได้ก็อย่ากลุ้มใจเส้นทางเดินมีตั้งหลายเส้นไม่ใช่ต้องเส้นของคนทําชานคนส่วนใหญ่ทําทชาญไม่ได้มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะไม่ใช่สมัยพุทธกาลเข้าชาญได้ทุกคนเมื่อไรนะคนส่วนน้อยหรอกเข้าชานได้นี่ถ้าเราเข้าชาญไม่ได้นะเราก็มาฝึกสมาธิหายใจไปรู้สึกตัวหายใจไปรู้สึกตัวหรือดูท้องพองยุบไปรู้สึกตัวนะ คอยรู้สึกตัวอยู่ก็จิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลเรารู้จิตไหลกับ ค, ความรู้สึกตัวเนี่กลับข้างกันถ้าจิตรู้สึกตัวอยู่จิตตั้งมั่นไม่ไหลไปจิตไหลไปจิตก็ไม่ตั้งมั่นจิตก็ไม่รู้สึกตัวแล้วก็ทํากรรมฐานสักอย่างหนึง่งแต่ไม่ต้องเข้าถึงฌานมันไม่เข้าหรอกไม่ต้องกลัวมันเข้าหรอกจ้างก็ไม่เข้าง่ายคนรุ่นเรานะหาที่เข้าฌานได้ยากนะแล้วเข้าฌานนะแล้วไปเดินตัญญานในฌานนะแล้วไม่ยอมเข้าฌานพักผ่อนอีกนะ ก็เสื่อมนะฌานเสื่อมฌานเสื่อมมีรู้สึกหลวงพ่อคนหนึ่งเข้าฌานเก่งแล้วก็พอเดินปัญญาเป็นนะเดินปัญญาในฌานอะไรเงี้ยแล้วไม่ยอมเข้าฌานไม่ยอมพักอีกเลยจิตฟุ้งซ่านตอนหลังเข้าฌานไม่ได้บอกให้กลับไปทำใหมนะมีนี่ถ้าพวกเราเข้าไม่ได้ไม่ต้องตกใจ เราคอยรู้ทันทํากรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมานะพุทโธก็ได้หายใจก็ได้พองยุบก็ได้ขยับมืออย่างลงพระเทียนก็ได้แต่อย่าไปเพ่งนะอย่าไปเพ่งใสาพุทโธเพ่งพุทโธเป็นไงก็เพ่งจิตที่เป็นคนท่องพุทโธเพ่งลมหายใจเพ่งท้องเพ่งเท้าเพ่งมือนี่เพ่งทั้งนั้นเลยเราอย่าไปทําสมาธิเพ่งเราทําสมาธินัมีอารมณ์กรรมฐานทั้งหลายเป็นแบ็กกราวน์เท่านั้นเองตัวหลักที่เราจะเรียนรู้คือจิต มันพุดโถแล้วรู้ทันจิตหายใจแล้วรู้ทันจิตพองยุบแล้วรู้ทันจิตขยับมือแล้วรู้ทันจิตเดินจงกรมแล้วรู้ทันจิตจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่อารมณ์นั้นรู้ทันเช่นดูท้องพองยุบอยู่จิตไหลไปที่ท้องรู้ทันจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตจะนี้ไปคิดหรือจิตจะไปอยู่ที่ท้องไปอยู่ที่มือไปอยู่ที่ลมคือจิตที่เคลื่อนทั้งสิ้นเลยนะมันเคลื่อนไปให้รู้ทันว่าจิตเคลื่อนทันทีที่รู้ว่าทันว่าจิตเคลื่อนี่จิตจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติ นี่วิธีฝึกให้ได้สมาธนะิสมาธิอย่างนี้ดีมากด้วยเอาไว้เดินปัญญาได้จริงๆในชีวิตประจําวันไม่จําเป็นต้องเข้าห้องพระหรือเข้าห้องนอนปิดประตูอยู่คนเดียวหรอกนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์อยู่นี่แหละนะแต่จิตเคลื่อนไปทางตารู้ทันจิตเคลื่อนไปทางหูรู้ทันจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันรู้ทันได้ไงก็ซ้อมดูมันเคลื่อน พุทโธแล้วจิตเคลื่อนไปรู้ทันหายใจแล้วจิตเคลื่อนไปรู้ทันพองยุบแล้วจิตเคลื่อนไปรู้ทันเคลื่อนไปมีสองอย่างเคลื่อนไปคิดกับเคลื่อนไปเพ่งงเวลาเราอยู่ในชีวิตนะประจําวันพอเราชํานาญแล้วเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนจนชํานาญแล้วมาอยู่ในชีวิตประจําวันเนี้ยตามองเห็นเนี้ยจิตเคลื่อนไปทางตารู้ทันหูได้ยินเสียงจิตเคลื่อนไปทางหูรู้ทันจมูกได้กลิ่นนะจิตเคลื่อนไปทางจมูกรู้ทันใครเคยไปดูตามห้างศูนย์การค้าอะไรพวกนี้นะ ที่เขาขายน้ำหอมเคยเห็นไหมเขาชอบมาทามือ น, นะแล้วก็ดมดมเนี่ยจิตเคลื่อนไปทางจมูกนะเคลื่อนไปทางจมูกตายแล้วจะไปไหนไปเป็นอะไรรู้ไห ม, มเดรัจฉานเนี่ยยืนพื้นอยู่นะแล้วเดีนี้ประกอบด้วยโลภะไหมหรือดมแล้วไม่ชอบใจประกอบด้วยโทสะแต่ยืนพื้นนะ่ะคือหลงนะหลงอยู่แล้วลนะงั้นเรา ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะแล้วจิตเคลื่อนนะให้รู้ทันจิตไม่ยอมเคลื่อนออกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเดเคลื่อนกลับเข้ามาเพ่งจิตให้รู้ทันถ้าเรารู den, ้ท <ss> ันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะโลปูดุลเรียกจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาว่าจิตออกนอกถ้าเรารู้ทันจิตที่ออกนอกนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมานี้พอจิตตั้งมั่นแล้วคันนี้เราถึงจะเจริญปัญญาได้นะไม่ใช่สงบอย่างเดียวแต่ต้องตั้งมั่นงั้นสมาธิชนิดที่จิตสงบไปอยู่ในอารมณ์ันเดียวนะ แนวลงไปเรื่อยอยู่กับปฏิภาคนิมิตนะจนกระทั่งเข้าฌานเข้าใดนะพวกนี้เป็นนิ่งๆอยู่จะไม่เดินปัญญาโนะยกเบ้นแต่วพวกชํานานนะไปเข้าอุปจาระอัปปนาก็เดินเดินปัญญาได้แต่ส่วนใหญ่เข้าไม่ได้เราก็จเจรเินปัญญาอยู่ข้างนอกเนี่ยใช้สมาธิทีละขณะทีละขณะตรงที่เรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปนะั้นน่ะเราจะได้สมาธิขึ้นมาหนึ่งขณะนะเลยเรียกคณิกะสมาธิได้สมาธิชั่วคราวแวบๆบแบบแบบนะเดี๋ยวก็ไปอีก พี่จริงไม่ได้ขณะรวมแล้วเจ็ดขณะแต่ว่าในนั้นนับทางทฤษฎีในทางปฏิบัติจะรู้สึกแว บ, บเดียวอย่างเวลารู้สึกตัวเวลารู้ว่าหลงรู้สึกไหมมันรู้ตัวขึ้นมาแว บ, บเดียวแล้วมันหลงอีกแล้วเนี่ยเราไม่รู้ทันเนี่ยเรามาคอยฝึกนะจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้ต่อไปเรามาอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยจิตจะตั้งมั่นอยู่ได้เนี่ยเรามาฝึกนะให้ตัวเราจิตมันเป็นผู้รู้บ่อยๆเมื่อจิตเป็นผู้รู้แล้ว อย่าหยุดอยู่แค่นั้นจิตเป็นผู้รู้นั้นเป็นแค่จุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาเท่านั้นเองจิตที่รู้ตัวขึ้นมาเนี่ยอย่างบางคนหลวงพ่อบอกจิตตื่นแล้วจิตตื่นแล้วสมัยก่อนไปลือกันนะถ้าชมว่าใครจิตตื่นโอ้เนี่ยพระโสดาโสดาอะไรยังไม่ได้ทํำพิปัสนาอยังไม่ถึงพอจิตมันตื่นมันรู้เนะื้อรู้ตัวนะตั้งมั่นเด่นดวงอยู่แล้วรู้ตัวอยู่จิตที่รู้ตัวเนี่ยมันจะรู้สึกในกายรู้สึกในใจได้แล้วมันรู้สึกตัวอยู่เฉยเฉยก็ได้ แต่ถ้ามันไปรู้สึกตัวอยู่เฉยๆไม่น้อมออกไปดูกายดูใจเนีปัญญาจะไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นเมื่อจิตทรงสมาธิที่ถูกต้องแล้วนะถ้ามันไม่ยอมเดินปัญญาก็ต้องน้อมออกไปเพื่อให้เกิดยานทัศนะเพื่อเกิดให้เกิดปัญญาแต่ถ้าจิตมันเคยเดินปัญญาเองเพอมันตั้งมั่นปุ๊บนะักขันจะแตกออกไปเองเลยร่างกายอยู่ส่วนร่างกายจิตอยู่ส่วนจิตนะเลเวทนาก็อยู่ส่วนเวทนานะสังขารอยู่ส่วนสังขารมันจะแยกกันออกไปเลยจิตก็เด่นดวงอยู่ แล้วจิตก็จะเห็นจ right. ิตเกิดดับทางทวารทั้ง6จิตที่เกิดดับทางทวารทั้ง6กเขาเรียกว่าวิญญาณจิตที่เราเรียกว่าวิญญาณหักขันนะทำไมเรียกว่าวิญญาณขันทําไมไม่เรียกจิตขันวิญญาณนี่เป็นความอย่างรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแสดงว่าอะไรแสดงว่าจิตของเรานี่แหละออกรับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาปฏิบัตินะไม่ใช่ไปเพ่งจิตให้นิ่งอยู่ท uh, ี่เดียวให้มันเป็นวิญญาณ คือรับรู้รวมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเราก็เห็นมันเกิดดับอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะั่นถึงเจริญปัญญาจิตเป็นนิง่งเป็นแน่วรู้สึกตัวเด่นดวงอยู่ยังไม่ได้เจริญปัญญานะต้องระวังนะบางคนก็คิดว่าถ้าจิตนิง่งรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ประคองความรู้สึกตัวอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่เคลื่อนออกไปไหนเลยนะแน่วอยู่ภายในนิรันดรเป็นพระรหันต์ไม่เป็นออกยังไม่ได้ทํำวิปัสนานะเป็นคําสอนที่เพียเพ้ยนเพี้ยนะต้องระมัดระวัง นี่ถ้าจิตมันตั้งมั่นแล้วคนไหนเคยเจริญปัญญามาแต่ชาติปางก่อนนขันมันจะแยกตัวออกอัตโนมัติแต่ถ้าขันไม่แยกต้องน้อมออกไปให้แยกต้องคิดพิจารณาให้แยกค่อยๆดูไปร่างกายมันนั่งอยู่จิตเป็นคนดูค่อยๆเตือนตัวเองค่อยๆบอกตัวเองเออร่างกายมันนั่งอยู่นะร่างกายมันหายใจนะนี่ร่างกายพยักหน้าล้แต่อย่ากแกล้งเคลื่อนไหวเอแล้วเคลื่อนไหวแล้วเคลื่อนไหวแล้วยางนี้จิตไม่ถูก จิตไม่ใช่ผู้รู้จะเป็นจิตผู้เพ่งดังนั้นจิตต้องถูกก่อนอย่างบางคนจะขยับหยิบอะไรนี่แนะ้เคลื่อนอย่างนี้มันจิตผู้เพ่งมันไม่ใช่จิตผู้รู้จิตผู้รู้มันว่องไวตามธรรมชาติของมันนะไม่แกล้งเสแย้งแกล้งทําให้ช้าๆหรอกแต่ว่าถ้าจะทําสมาธิเบื้องต้นบางทีต้องหน่วงให้ช้าไว้ก่อนแต่ถ้าจิตฟุ้งซ่านมากทําให้เร็วไว้ก่อนนะไม่ใช่มีแต่ต้องทําให้ช้านะอย่างเดินจงกรมเนี่ยหรือพุโทโธพุโทโธนะ จิตฟุง้งซ่านมากพุทธโทรเร็วๆ เ, เลยไม่ใช่พุทโทหนีไป500รอครั้งเลยไม่ใ ช, ใช่ถ้าจิตสงบแล้วมันก็พุดโทยาวขึ้นมาหรือเดินจงกรมเนี้ยบางคนเดินสติไม่ทันเดินเร็วไปไม่ทันให้หวงให้ช้าจังหวะให้ช้านิดหนึ่งแต่วันไหนโทรสะแรงนะเดินเร็วๆ เ, เดินแล้วรู้สึกเดินแล้วรู้สึกเนี่ย ม, มันอยู่ที่เทคนิคของการปฏิบัตินะไม่ใช่มีรูปแบบสําเร็จรูปว่าต้องช้าต้องเร็วอะไรหรอกมันอยู่ที่จิต ถ้าจิตไม่ถูกต้องทำอะไรมันก <sushi S 2> ็ไม่ถูกนะจิตถูกทำอะไรมันก็ถูกหมดแหละเราะงั้นการเรียนเรื่องจิตเนี่ยสำคัญมากบทเรียนเรื่องจิตตศิกขาเนี่ยถึงอยู่ก่อนบทเรียนชื่อปัญญาศิกขาก่อนจะไปเจริญปัญญารู้ความจริงของรูปของนามต้องเรียนเรื่องจิตให้ชํานี้ชํานั้นถ้าไม่งั้นเราจะเอาจิตที่ไม่ได้เรื่องไปเจริญปัญญาเจริญไม่ได้จริงหรอกจิตถ้าประคองอยู่แล้วบอกเจริญปัญญาไม่เจริญจิตที่ไหลไปแล้วบอกเจริญปัญญาอยู่ไม่เจริญหรอก นี่ตมาฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ให้ได้นะพวกเราฝึกเอาตัวนี้ให้ได้ก่อนให้ชํานาญแล้วก็ดูกายมันทํางานดูใจทํางานเห็นเลยกายกับจิตโคนละอนกันค่อยๆฝึกดูไปเวทนาก็เป็นโคนละอันกับร่างกายเวทนาเป็นโคนละอันกับจิตสังขารก็เป็นโคนละอันกับร่างกายเป็นโคนละอันกับเวทนาเป็นโคนละอันกับจิตค่อยๆหัดไปพอขันมันแยกได้แล้วแต่ละขันนั่นแหละจะแสดงใจรักณจะแสดงใจรักษ อย่างไ้มันแสดงทันทีเลยว่าขันแต่ละขันไม่ใช่ตัวเราร่างกายนั้นเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ า, า, า, ว า, ว า, วาความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเรากุศลอกุศลทั้งหลายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะกุศลอกุศลทั้งหลายไม่ใช่ตัวเร า, เ า, dairy, i, เราจิตที่เกิดดับทางทวารทั้ง6นั้นเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตก็ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเฝ้าดูลงไปนะในสุดมันมีปัญญาล้างความเป็นผิด เราพาจิตให้ดูของจริงให้ดูความจริงเรื่อยไปความจริงก็คือความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจของรูปนามขันธ์หทั้งหลายนั่นเองเมื่อจิตมันได้เห็นความจริงซ้ําแล้วซ้ําอีกสุดท้ายจิตมันก็ยอมรับความจริงตรงที่จิตยอมรับความจริงเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมนะมันไม่ยากเกินไปสมัยพุทธกาลก็คนอย่างพวกเรานี่แหละไม่ใช่ว่าเขาเก่งวิเศษกว่าเรานะ ก็คนธรรมดาสมองมันก็พอๆกันนี้แหละความรู้ความสามารถมันก็พอๆกันนี้แหละบางคนไปฟังพระพุทธเจ้าเทศก็ได้ธรรมะบางคนฟังแล้วก็ไม่ได้อะไรบางคนฟังแล้วตกนรกก็มีไม่ใช่ว่าทุกคนที่อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเราก็จะต้องดีดเสมอไปอย่างพวกเราบางคนรู้สึกเสียดายตอนเด็กๆหลวงพ่อเสียดายนะแม้น่าจะไปอยู่กับพระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาล สมไมนั้นอาจจะอยู่แต่เป็นลูกศิษย์ชูชกก็ได้เนาะอาจจะเป็นลูกศิษย์นี้ครนนาตบุดอะไรงั้นก็ได้ไม่แน่เนี่ยพวกอยู่กับพระเจ้านะดีก็ดีไปเลยนะแย่ก็แย่ไปเลยหลวงปูด่ดู่รู้จักไหมลวงปู่ดู่เองอย่าอยู่กับพระลราหันนานนะ <c oughs> ถ้าอยู่กับพระลราหันนะอันตรายค่อยฝึกนะให้ฝึกไปให้ใจเป็นคนดู อรอบต่อไปนี้ก็ไปกินข้าวเห็นร่างกายมันกินข้าวใจเป็นคนดูนะถ้ากิเลสเกิดก็เห็นกิเลสมันเกิดใจเป็นคนดูเวลากินข้าวกิเลสจะมีเยอะเลยไปดูให้ดีนิมนต์เลยครับ